วิธีให้ปักขะปริวาทและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปักขะปริวาทอย่างนี้คือภิกษุอุทายีนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกรากเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญ กระผมต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักท่านผู้เจริญกระผมนั้นขอปักขะปริวาดเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละ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 ปิดไว้หนึ่งปักกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้ปักขะปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุทายีนี้ต้องอาบัตหนึ่งตัวชื่อ สัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักภิกษุอุทายีนั้นขอปักขะปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักกับสงสง์ให้ปักขะปริวาทเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกะวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีแล้ว ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาทหนึ่งปักเพื่ออาบัตหนึ่งตัวชื่อสันเจตนิกาสุกาวิสัตถิปิดไว้หนึ่งปักแก่ภิกษุอุทายีท่านรูปนั้นผึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นขึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สาข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่า และปักขะปริวาสเพื่ออาบัติหนึ่งตัวชื่อสัญเจตนิกาสุกาวิสัตธิปิดไว้หนึ่งปักสงให้แล้วแก่ภิกษุอุทายีสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้